เอามาฟังเคสตัศ ด, ดีกันสำหรับคืนนี้ลูกเข้าวัดพระธรรมกายเมื่อปี2537ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญและก็ททำบุญทุกๆบุญของวัดนันไม่เคยขาดเลยคุณพ่อของลูกอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาตัวลูกเองทำงานมีครอบครัวคุณพ่อป่วยเป็นอวมพาดครึ่งตัวเมื่ออายุได้35ปี ป่วยนานถึงสิบเจ็ดปีก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้ห้าสบสองเริ่มแรกคุณพ่อจะมีอาการขาอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินไม่ได้ก่อนป่วยคุณพ่อกระด่มเหล้าบางพอป่วยก็ยิ่งดื่มทุกวันโดยการสนับสนุนของคุณยา่า แด็กคุณย่าบอกว่าเพราะพ่อเครียดก็ให้ดื่มเหล้าไปเหอะหม่แนะนําอย่างนี้นี่เอาเรื่องทีเดียวเนี่ยก่อนเสียชีวิตสามปีคุณพ่อก็เลิกดื่มเหล้าและอาซึ่งเป็นน้องของคุณพ่อก็ทําอาหารให้คุณพ่ออธิษฐานใส่บาตรทุกวันพระซึ่งพ่อก็ตั้งใจทําบุญด้วยความปีติก่อนพ่อเสียชีวิตสามวันอาบอกลูกว่า คุณพ่อของลูกลูกขึ้นมานั่งพูดคนเดียวสามสี่คืนแล้วให้ลูกและน้องสาวลางงานกลับนครราชสีมาเพราะโบราณบอกว่าคนที่นั่งพูดคนเดียวคือคนใกล้จะตายแต่ลูกไม่เชื่อเราคิดว่าอาคิดไปเองและก่อนเสียชีวิตอาบอกว่าคุณพ่อของลูกร้องโอ ย, โอย และยกมือไหว้สามครั้งจากนั้นก็หมดลมอาได้ให้แพทย์ชนะสู่ศพแพทย์ลงคองเห็นว่าหัวใจล้มเหลวแล้วก็ได้ฉีดยากันศพเน่าให้ซึ่งต่อมาลูกและน้องสาวก็ได้เดินทางไปบำเพ็ญกุศลให้คุณพ่อสามวันซึ่งเมื่อก่อนยังไม่รู้หลักวิชาของการส่งวิญ ญ, ญาณให้คุณพ่อตามที่คุณครูไม่ใหญ่สอนไว้ ก่อนนั้นเผาศพหนึ่งวันคุณพ่อก็ได้มาเข้าฝันน้องสาวของลูกและต่อว่าทำไมถึงฉีดยาที่สะโพกพ่อพ่อยังไม่ตายเลยฉีดยาแล้วพ่อก็ขยับตัวไม่ได้น้องสาวก็เล่าความฝันนั้นให้ญาติฟังอาซึ่งดูแลคุณพ่อของลูกจนวราระสุดท้ายก็มีความรู้สึกว่าตัวเองผิดมาจนทุกวันนี้ ว่าพี่ชายอาจจะยังไม่ตายจริงๆก็ได้และยาที่หมอฉีดศพก็ฉีดเข้าติดสะโพกของพ่อจริงๆซึ่งเรื่องนี้ลูกและน้องสาวไม่มีใครทราบมาก่อนเลยจึงเขาทำรมส ก, การถามครูไม่ใหญ่ว่าคุณพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดเจ้าคะอิบากกรรอะไรทําให้เสียชีวิตตั้งแต่อายุได้ห2บสองและเป็นอภภาษตั้งแต่อายุสาสบห้าเป็นนานถึงสิปี ที่คุณพ่อมาเข้าฝันน้องสาวนั้นนะเป็นความจริงหรือเปล่าและที่คุณพ่อนั่งพูดคนเดียวนะ่ะท่านเห็นอะไรและที่ท่านยกมือไหว้สามครั้งนะ่ะเป็นท่านมีนิมิตที่ดีหรือไม่คะลูกๆทาบุญดุที่สูงกส่งไปให้ท่านเช่นสร้างพระธรรมกายป็นจำตัวและลานทำจะรึกชื่อท่านและทําบุญอื่นๆท่านจะได้รับหรือเปล่าคะญาของลูกตายเมื่ออายุเจดสิบหกปี ตอนมีชีวิตอยู่ชอบดื่มเหล้ามากดื่มทุกวันแต่พอวันพระก็ไปรักษาศีลที่วัดทำอย่างนี้เป็นประจำเวลาย่าไม่ดื่มเหล้าก็จะเป็นร่มโพ ร, ร่มใสให้กับลูกห ล, ล, ลานย่าชอบเล่านิทานชาดกให้หลานหลานฟังทำให้หลานหลานรักในการทำบุญมาตั้งแต่เด็กๆ แต่พอย่าดื่มเหล้าก็ด่าอารวาดจนหมดลิดเหล้าเป็นเช่นนี้ประจำจนก่อนเสียชีวิตห้าปีก็เลิกดื่มเหล้าค่ะอยากทราบว่าคุณย่าตายแล้วไปไหนคะที่ลูกหลานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เนะี่ยท่านได้รับหรือไม่ออามาฟังฝันในฝันกันนี่ฝันในฝันนะ รับตาฝันเป็นตุเป็นตะก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ใจสบายก่อนนั่งธรรมะมีความรู้บ้างกระติดขาติดแข่งกันไปที่พ่อแขนขารีบและค่อยๆหมดแรงนั้นก็คืออดีตพ่อเป็นนักมวยเก่ารูปรลอ่อไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้โดยเตะ ทำให้กระดูกสันหลังของคู่ต่อสูนะ้เคลื่อนแต่ไปข้างหลังนะตุบลงไปนะทําให้บาดเจ็บขารีบแล้วก็ค่อยๆหมดแรงจนเป็ น, นอัมพาตไม่ใช่เป็นวันนั้นนะมันก็ม า, าหลังจากที่กระดูกหลังเคลื่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นอาการเดียวกับที่พ่อเป็นในปัจจุบันเนี่ยวิบากกรรมนี้จึงทําให้ท่านมีอาการดังกล่าว แต่ท่านทําโดยไม่ได้เจตนาที่จะให้เขาเปนาา็นนมำบาดาลคือก็ต่อสู้กันธรรมดาเหมือนน้ามวยต่อยวนเวทีตาก็ไม่ได้โกรธกันลกนะแต่ว่าเป็นอาชีพก็มาลุยกันเนื่องจากไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เขาเปนาา็นนมำบาดาจะไม่มีใครในชาตินี้ที่จะทําให้ท่านเปนาา็นนมำบาดาแต่แม้เป็นกรรมไม่มีเจตนาแต่กรรมนั้นก็ส่งผลเป็นนำมำบ า, าดาลด้วยตัวเอง คือค่อยๆเป็นทีละน้อยตั้งแต่อายุส5สิบห้าถึงอายุห้าบเป็นอยู่17เจ็ดปีที่เสียชีวิตตอนอายุห2บนั้นก็เพราะคู่ต่อสู้คนนั้นได้ตายโดยโรคอัมาพาตและเป็นอาการเดียวกับพ่อในวัยเดียวกันจ้า oh. ที่พ่อลุกขึ้นมาพูดคนเดียวอยู่สามสี่คืนเพราะท่านเห็นภาพเหตุการณ์เ ก, ก่าๆในอดีตของตัวเองในอดีตของชาติปัจจุบันนี่นะ เห็นขึ้นมาก็คุยไปเรื่อยๆและร้องโอยๆต้งก่อนละโลกนะและยกมือไหว้สามครั้งเพราะท่านเจ็บที่หัวใจมากๆแล้วก็เลยยกมือไหว้พระเพื่อนึกถึงขอให้พระช่วยพระช่วยด้วยแล้วก็หมดสติหลับไปพอดีกับหมดอายุไข่แต่กายละเอียดยัง แม้หัวขั้วหลุดแล้วแต่ถอดกายแล้วแต่ก็ยังอยู่กับกายหยาบอยู่คือตายแล้วแหะถอดแล้วแต่ยังไม่ได้ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยยังอยู่ที่ล่างนั่นแหละเหมือนนอนอยู่อย่างนั้นนหะแต่มันถอดหลุดจากกันแล้วกายละเอยียดจะไม่ได้ลุกออกจากกายหยาบจึงมีความรู้สึกเดิมๆว่าตัวเองนะยังเป็นอมาพาตอยู่คือมีสัญญาเก่าๆอ่ะ และเหลือบไปมองเห็นคนมาฉีดยาเข้าสะโพกตัวเอง uh oh. ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองน่ขยับไม่ได้ย uh oh. ังมีความรู้สึกเอ๊ะเราเรายังอยู่อะไรเนี่ย uh oh. แต่พอสะพักตัวเองก็พยายามลุกขึ้นแล้วก็เดินได้เหมือนคนปกติ uh oh. อันนี้หลุดออกมาแล้ว uh oh. จึงมาเข้าฝันลุก เพราะตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายแต่ว่าเออมันหลุดออกมาแล้วเดินได้แต่ก็ยังไม่รู้นะเพราะไม่รู้ว่าตายคืออะไรยังไม่รู้พอออกมาแล้วมันสบายอ่ะแต่ก็มาเข้าฝันได้แังนั้นการที่คุณอามีความรู้สึกว่าตัวเองผิดนั้นน่ะที่ทำให้คุณพ่อตายมาจนถึงทุกวันนี้เป็นการเข้าใจผิดเสียแปะเจ๊ะทุกไปยาวนานทีเดียวเนี่ย เพราะคุณพ่อตอนนั้นน่ะท่านตายไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองตายยังติดสัญญา ว, ว่าตัวเองเป็นอามาภารและยังไม่ตายเพราะฉะนั้นคุณอาเนี่เข้าใจผิดมาหลายปีทีเดียวยว่าเป็นเหตุทําให้ท่านตายแต่จริงๆไม่ใช่าตายเองไปแล้วน่ยแต่ว่ามาเข้าฝันลูกจริงๆพอตายครบเจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็รับตัวไปยมโลกทันทีเพื่อพิจารณาบุญบาปจากพญายมราช แล้วก็ถูกพิพภาก ษ, ษาให้ไปรับผลบาปก่อนรับผลบุญเพราะมีบาปมากกว่าบุญดังนั้นจึงถูกนำไปกรอกน้ำทองแดงเพราะกรรมสุราก่อนก่อนที่จะไปเจ อ, อย่างอื่นแต่บุญที่ลูกอุทิศไปให้ทำให้ท่านได้รับการลดหย่อนผ่นโทษแต่ก็ยังไม่หมดกรรมยังโดนกรอกอยู่ต้องทำบุญอุทิศไปให้อีก ท้หมดวิบากกรรมจากโยมโลกแล้วเนี่ยบุญท่านจึงจะให้ผลบุญท่านกับบุญลูกเนี่ยจะส่งท่านไปอยู่ชั้นจตุมาหาราชิกาในเดียวแต่ว่าอยู่ในระดับล่างๆนะตามกำลังบุญที่ท่านทําเองบ้างและที่ลูกอุทิศไปให้บ้างส่วนคุณย่านะ่ดื่มเล่ามายาวนานวัดเข้าๆ เ, เล่ากิน ตายแล้วไปเป็นเวมานิกระเปตในระดับของอากาศสเทวามีวิมานทองสวยงามอธิพามาเราฟังว่ากลางวันอ่าเป็นเทวดากลางคืนเป็นเปรตแต่อันนี้ไม่ใช่ข้างขึ้นเป็นเทพธิดาข้างขึ้นก็นยาวพอข้างแรงเป็นเปรตเพราะการรมที่ท่าน เองทำทั้งบุญทั้งบาปวัดก็ข้า เ, าเล่ า, เาก็กินตอนเป็นเปรตจะมีรูปร่างผอมแห้งดำสูงแล้วอาเจียนออกมาเป็นน้ำกรดสีดำเหลวมากัดกินร่างกายนอนดิ้นทรนทราอยู่กลางอากาศเพราะกรรมสุราเพราะว่าเป็นอากาศสทวาเป็นมาในก็เปรตตั้งแต่ระดับพื้นมนุษย์นะไล่เลือยขึ้นไปจากันได้หรือเปล่าเนี่ย พอข้างขึ้นก็เป็นเทพธิดาก็สเสวยสุขอยู่ในวีมานแล้วก็มีสมบัติทิพย์และอาหารทิพย์เพราะบุญที่เกิดจากการรักษาศีลฟังธรรมและให้ทานในวันพระแล้วก็ได้รับบุญกุศลที่ลู ก, กทิพย์ไปให้แต่ท่านก็นยังไม่หมดกรรมนะคือพอข้างขึ้นท่านก็เป็นเทพธิดาอยู่ในวีมานพอข้างแรงเนี่ยอยู่ในบมานไม่ได้ไมันต้องหลุดออกมา ร้อนต้งหลุดมารลอยกับอากาศร่างกาแฟไม่ว่าเป็นเปลืออาจเจียนออกมาเป็นน้ำกรดสีดำเหลวละลายร่างกายของตัวเองทุกทรมานอยู่